พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี้คือชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบวงได้ยินพุทโธแล้วยังไม่ซึง้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งให้มันทราบซึ้งเข้าไปถึงใจว่าคำว่าพุทโธนั้นมีใช้เรียกอยู่ในปัจจุบันก็เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก จึงมีการกล่าวคําว่าพุทธโธพุทธโธพุทโธเพราะสมัยก่อนที่จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นคําเรียกว่าพุทโธนี้ก็ไม่ปรากฏอาจจะมีอยู่ในคัมภีร์บ้างอาจจะแฝงไว้ตามซอกหลืบตรงนั้นตรงนี้ใครปรารถนาสัมมาสัมโพธิธญาณอย่างเป็นโพธิสัตว์อยู่อาจจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทโธอยู่ในใจ แต่ถ้ายังไม่มีการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเรียกว่าพุทโธก็จะยังไม่ปรากฏแต่เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกนี้คำกล่าวที่เรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธจึงมีอยู่ให้เราได้ยินได้ฟังตรงนั้นก็มีการพูดถึงพุทโธตรงนี้ก็มีการพูดถึงพุทโธคนนั้นก็กล่าวกันคนนี้ก็พูดถึง พุทโธคือความรู้นั่นเองท่านฟังเวลาคนที่เขายังไม่มีความรู้ยังไม่เคยได้เห็นยังไม่เคยได้ยินว่ามีการอุบัติขึ้นของพระเจ้าได้ยินชื่อว่าพุทโธแล้วมันจะต้องฟังอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องฟังกันถึงสามรอบมันจะต้องฟังกันให้แน่ใจว่ามีแล้วจริงๆเหรอพุทโธนี่พุทโธที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความรู้ท่านฟังอย่างถ้าเรามา รู้บางทีเรามารับรู้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นความรู้สึกนั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาหรือบางทีเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้ว่าอันนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้รู้ว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอย่างนั้นความรู้นี้ก็ยังไม่ใช่พุทโธอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาคือความหมายรู้อยู่บางทีเราก็ไปรับรู้ถึงการบรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ เปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่นความรู้ในการปรุงแต่งนั้นก็ยังไม่ใช่พุโทโธแต่มันเป็นสังขารหรือบางทีเรามาเห็นรูปจับแล้วมีธาตุสีดินน้ำไฟลมรูปในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างต่างๆเรามารู้อยู่ตรงนี้นั่นก็ยังไม่ใช่พุโทโธนั่นก็เรียกว่าเป็นรูปหรือว่าถ้าเรามีความรู้เกิดขึ้น รู้ในสิ่งนั้นรู้ในสิ่งนี้นั่ น, นก็ไม่เรียกว่าพุทโธนั่นก็เรียกว่าวิญญาณแต่พุทโธนั้นคือรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งรู้แล้วไม่เข้าไปเกลือกลัวในสิ่งนั้นนั้นรู้แล้วรู้อยู่เฉยเฉยรู้แล้วสักแต่ว่ารู้ไอความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปเกลื อ, อกลัวในอารมณ์นั้นๆรู้แล้วนิ่งเฉ ย, ยอยู่ได้รู้แล้วปล่อยวางได้ รู้แล้วเกิดความรู้อันยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ควรคาดการที่จะเข้าไปยึดถือรู้แล้วไม่ให้ความรู้สึกความหมายรู้อารมณ์สัญญาหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นเข้ามากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตจิตที่มีความรู้แบบนี้แหละจำฝั ง, งเราเรียกว่าพุทโธอย่าเป็นะไรที่ต้ ง, งังมารู้ร า, าหายใจเฉย ไอความรู้ที่เราเข้าไปรู้ลมหายใจแล้วไม่ได้ตามลมไม่ได้บังคับลมไม่ได้เกลือกลัวในลมหายใจรู้อยู่เฉยเฉยไม่วิ่งเข้าไปหาความรู้สึกที่เป็นสุขที่ชอบใจไม่ขยะยขยงเกลียดชังหลีกหนีความรู้สึกที่ไม่ชอบใจไอความรู้ที่เรามารู้ลมหายใจอยู่เฉยนั่นแหละเรียกว่าพุทโธคุณจะต้องพุทโธอยู่ในใจก็ไนดะ้ หรืคุณจะไม่ได้ทองพุโทโธก็ไม่มีปัญหาแต่ใจที่มีความรู้ในลักษณะนี่ไม่เข้าไปเกลือนกลัืวในอารมณ์รู้ก็สักตะวารุนี่แหละคือพุโทโธต็มฝั่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วแม้จะมีการอนุบัติขึ้นของสมาสบุตรเจ้าหรือไม่ก็ตามจิตชนิดที่เป็นประภัสสอนจิตชนิดที่ไม่ได้มีความเศร้าหมองตามอารมณ์ความรู้สึกกิเลสหรือว่าสิ่ง ใ, ใดๆที่เป็นอคันตุกะจรมา จิตที่เป็นพุทธโธนั้นอยู่ในใจของเราโดยเฉพาะยิ่งคนที่อาจจะได้เคยได้ฟังคําสอนของสัมมาสัมพุท ธ, ธามาก่อนอาจจะถึงขนาดว่าได้เห็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สักองใดองค์หนึ่งมาก่อนหนามเล็ดพันุ์ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นพุทธโธอยู่ในใจของเรานั้นมีอยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในใจของเราดีนั่นเองในเวลาที่ถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยเรามีพุทธโธอยู่ในใจแล้วเนี่ย เวลาที่เรามีความรู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราตามความรู้นะี่มันเศร้าหมองเหมือนกับกิเลส ท, ที่เป็นอานการตุกตาจรมามันจะทําจิตให้เราเศร้าหมองได้มันจะมากลุ่มรุมหอ่อหุ้มจิตให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยตัณหาด้วยกิเลสมันจะเศร้าหมองลงด้วยการครอบงำของอภิชาจิตที่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่พุทโทเลยทีนี้มันก็เศร้าหมองเลยทีนี้ เพราะว่าถ้าเรามารู้ลมหายใจแล้วเราตามลมเป็นต้นเรามารู้ลไมชายแล้วเรามีความคิดเราก็เชื่อความคิดนั่นเป็นต้นที่บ อ, อกใ ห, ให้รู้เนี่ยไม่ได้ให้ตามนะที่บอกให้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เชื่อนะที่บอกให้รู้มีพุทโธนี่ไม่ใช่ให้คิดไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่บอกให้รู้คือพุทโธเนี่ยคือรู้แล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องตามความคิด ไม่ต้องปรุงแต่งไปเป็นเรื่องอื่นไม่ต้องไปเชื่อความคิดนั้นความคิดน่าอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ไรความคิดที่ผ่านเข้ามาในใจของเราในขณะที่เราพยายามที่จะเข้าถึงความเป็นพุโทโธอยู่ในใจในขณะที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นหรือแม้ในขณะที่เรากำลังฟังเสียงอยู่เนี่ยฟังแล้วถ้าเราตามความคิดเกลือกล้วนในอารมณ์ที่เกิดขึ้นสินั้นไม่ใช่พุโทโธนั่นเป็นสัญญานัินเป็นสังขาร แต่ถ้าเราฟังแล้วเราฟังเฉยๆฟังแล้วเกิดความคิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้เชื่อตามความคิดนั้นไม่ได้คิดไปตามความคิดนั้นความคิดมันมามันก็ไปก่อนเรารู้อยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ไปตามความคิดความคิดมันมาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ไปมันแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันความคิดที่ยังไม่มีมาเดี๋ยวมันก็มีมาอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่มีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป การที่เรามารู้อยู่ด้วยสิทิที่เป็นพุโทโธนี่แหละท่านฟังมันไม่ได้เฉยนะมันฉลาดฉลาดด้วยความที่เรารู้เราเห็นว่าเราไม่ต้องตามสิ่งนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อในอารมณ์ความรู้สึกสัญญาหรือความคิดต่างๆเหล่านั้นรู้แล้วนิ่งไว้รู้แล้ ว, ว, ลวสักนิวรู้รู้แบบนี้แหละท่านฟังคือพุโทโธที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทำให้เกิดขึ้นในสิตของท่านเป็นคนแรก ในสมัยนี้วิธีการที่ท่านทำไว้แล้วปฏิบัติไว้แล้วก็ได้นามาบอกมาสอนเป็นธรรมโมคือธรรมะให้เรามาปฏิบัติตามรู้ตามผู้ที่ปฏิบัติตามได้รู้ตามธรรมโมที่พุทธโธได้สอนไว้นั่นก็เรียกว่าเป็นสังโคหรือสงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูลมหายใจของเราเม่่าจะเป็นการหายใจเข้าหายใจออก เราอาจจะไม่ตด้รับรู้ถึงสัมผัสของลงมหายใจได้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดก็ได้เพราะสัมผัสมันอาจจะเบาบางไปแต่พุทธโธคือผู้ที่เขาไปรู้ลมหายใจในลักษณะที่ไม่ได้ไปตามลมในลักษณะที่ไม่ได้ไปตามความคิดไม่ได้เชื่อความคิดไม่ได้ลุ่มหลงเกลือกลัวหรือไว้สิ่งต่างๆล่านั้นมา น, นั่งอยู่ในใจให้ใจที่เป็นแบบนี้ใจพุทธโธนะพุทธโธ อาจจะมีคําพูดหรือไม่มีคําพูดจิต ท, ที่เป็นแบบนี้คือมีพุโทโธแล้วมีพุท ธ, ธะมีพุโทโธอยู่ในใจเพราะว่าการที่ได้ทำธรรมะกระเดิดธรรมโมนี่แหละคือสติให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เรามีสติเป็นธรรมตั้งขึ้นไว้สตินั่นก็เป็นธรรมะเป็นธรรมโมอย่างหนึง่งสติเป็นธรรมตั้งขึ้นเอาอไว้เราพยายามที่จะ ฝึก ร, รมจิตนั้นให้มีสติตั้งขึ้นการฝึกกา ร, รทำการปฏิบัตินั้นก็เป็นสังฆะหรือสังโกมีธรรมะคือสติเอามาทาเอามาใสเอามาตั้งเอาไว้ให้เกิดขึ้นนั่นคือสังฆะหรือสังโคก็จะเกิดพุทธโธคือพุทธะขึ้นในใจเป็นพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ที่เรามารู้อยู่เฉย ไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์ที่น่าพอใจความคิดที่น่าคิดความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกไม่เข้าไปเกลือกล้วในสิ่งนั้นไม่ขยักขย้งเกลียชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกใดๆก็ตามเป็นผู้ที่รู้แล้วก็สักดับรู้คําพูดก็ตามเสียงก็ตามการคิดนึกปรุงแต่งเป็นวจีสังขาร เป็นกาะยะสังขารเป็นมโนสังขารใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีจิตของเราเข้าไปรับรู้การรับรู้ตรงนั้นให้เป็นพุทธโทธจำฝังเพราะว่าถ้าการรับรู้แล้วเรายังคิดว่ายังมีการรับรู้ตรงนั้นตรงนี้นั่นมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่ใช่พุทธโทธวิญญาณแปลว่าการรับรู้การรู้แจงเราก็าไปรู้ในเสียงเราก็าไปรู้ในรสวิญญาณทางตาทางลิ้นทางหูมีบูชาบอก สิ่งเหล่านั้นมีบุคคลทั่วไปที่ยังมีตัณหามีอวิชชาก็จะคิดว่าความรู้นั้นวิญญาณนั้นเป็นตัวเป็นตนมีในตนเป็นของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราแต่ถ้าใจที่เป็นพุโทโธรับรู้สิ่งใดๆแล้วมันจะไม่ได้เข้าไปยึดถือว่าอ๋อนี่ฉันเป็นผู้รู้ฉันไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้รู้มีในฉันหรือฉันมีในผู้รู้แต่รู้แล้วไม่ได้คิดตรงนั้นโดยซ้ำ ถึงคิดแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าตรงนั้นจะต้องเป็นจริงกี่ก่อให้มันคิดไยผ่านไปไม่เอามันความรู้ที่สักงแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นเรื่องใดๆรู้แล้วไม่ได้มีความคิดนึกสัญญาอารมณ์ให้เป็นสัญญาเวทนารู้แล้วไม่ได้มีความคิดนึกปรุงแต่งให้เป็นสังขารรู้แล้วไม่ได้มีความเข้าไปจับช่วยจับยึดให้เป็นวิญญาณไม่ได้มีการเข้าไป ยึดมั่นถือมั่นในคันทั้ง5้าความรู้นี่แหละจำบังเรียกว่าพุโทโธพูดครั้งเดียวมันไม่ซึง้งจำฟังมันต้องพูดให้ครบสามครั้งคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธฟังแล้วให้มันซึ้งในใจความซึ้งนี้อย่าให้จิตเราเข้าไปเกลือกลัวในอารมณ์จะเป็นปีติก็ตามจะเป็นสุขก็ตามที่เราเกิดขึ้นในใจรู้สั่งแต่ว่ารู้ รู้แล้วไม่เข้าไปกลือกลัวนั่นคือพุทธโธเเรารู้อันเป็นผลของสติที่ตั้งขึ้นไว้อาจจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ตามหรือช่วงเวลาที่ยาวก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามลืมตาก็ตามหลับตาก็ตามคุณจะทําสิ่งใดๆอยู่ก็ตามจิตที่เป็นพุทธโธนั้นอยู่กับเรานั่นเองมันไม่ได้เป็นดวงใดดวงหนึ่งมันไม่ได้หายไปมันไม่ได้ตั้งอยู่มันไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นมีอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้น มีภรรษะเมื่อไหร่นั่นเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีพุโทโธเกิดขึ้นไม่ได้หนีไปที่อื่นดวงนี้ไม่ได้วิ่งไปไหนมีภรรษาเมื่อไหร่มันอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เข้าไปเกลือกล้วในอารมณ์ที่ชอบใจไม่ขยักแกงเกลียดชังในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์นั้นไม่ให้มาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตของเราพุโทโธเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นดวงๆที่เราจะต้องไปคอยตามคอยหาแต่ว่าเกิดที่จิตของเรา ในขณะที่เรามีผัสสะนั่นแหละปุตโตที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นชั่วกราวก็ตามแต่ชั่วคราวนี้ก็หมายถึงมันอาจจะงมีการกลับกําเริบแในเป็นจิตที่ประพัสสอนล่ะเป็นจิตที่ดีล่ะที่เย็นล่ะที่สบายล่ะที่นิ่งล่ะมีความระงับมีความดับมีความเย็นแต่ไม่อาจจะกลับกําเริบด้วยด้วยพิษที่มันยังมีอยู่แต่เป็นคนที่เป็นไข้มาเรียเนี่ย หมอเขาก็ตรวจดูเชื้อรักษาแรงรต่างอ้ดูมันก็น่าจะหายแล้ว แ, ลแต่สามเดือน6เดือนถัดมาเฮ้มันกลับกําเริบอีกฮะนั่นราะว่าเชื้อมันไปซ่อนอยู่ตามจุดนั้นจุดนี้ของร่างกายแต่เชื้อ น, นั้นก็คืออวิชาอาวิชาเป็นพิษที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ในจิตอันเป็นผลของตัณหาที่เหมือนกับเรื่องเสียบแทงเวลาที่เรามีสัมผัส ใ, น ใ, นใดๆเกิดขึ้นเรามีความอยากในลักษณะที่ เป็นไปในทางกามตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความอยากในลักษณะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความอยากในลักษณะที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้จริงของเรานั้นก็จะถูกแทงด้วยตัณหาถูกแทงแล้วน่ยมันปล่อยพิษด้วยทำฝังเป็นลูกศร อ, อาบยาพิษพิษของมันนั้นคืออาวิชาเราจะต้องพยายามที่จะหาเจ้าลูกศรเนี่ยแหละว่ามันแทงตรงไหน หาให้ดีให้เจอแล้วก็ถอนมันออกถอนมันออกแล้วก็จะต้องใส่ยาด้วยในวิธีที่จะตรวจหาหัวลูกศรให้เจอ่ ว, ว่าไอเราถูกแทงตรงไห น, นจะทำยังไงให้จิต ท, ที่มีพุโทโธเราเกิดขึ้นได้่ถอนลูกศร อ, ออกนั่นก็คือการที่เราจะต้องตรวจหาด้วยสติสติเป็นเครื่องเอ็กซเรย์มัวั ง, งเป็นเรื่องตรวจหาหัวลูกศรคือเจ้าตนานาดี่มันทิ่มแทงอยู่ในใจของเราอยู่ การที่เราเข้าไปกลือกล OO ัวในอารมณ์ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามการที่เราเข้าไปกลือกล OO ้วในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายนั่กิกรรมการที่จิตของเราเข้าไปเกลือกล้วในสภ า, าวะใดสภาวะหนึ่งที่อยากให้มันมีอยากให้มันเป็นนั่นคือภาวะตัณหาการที่ก็เรามีลักษณะที่ขยักขย้งไม่ให้ไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือวิภาวะตัณหานั่นคือสภาวะที่จิตของเราก็จะถูกแทงด้วยตัณหาแต่ถ้าเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ สติคือเรื่องตรวจหาหัวลูกศรถอนลูกศร อ, ออกไม่ให้จิตขอเราไปเกลือกลัวในอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความคิดคือสัญญาบ้างสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาบ้างการปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้นนการรับรู้เป็นวิญญาณเป็นสังขารหรือเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าไปเกลือกลัวในสิ่งนั้นนั้นถอนลูกศรคือตัณหาออกให้ได้เป็นผู้ที่รู้ก็สักแต่วรู้ รู้แล้วเย็นรู้แล้วนิ่งอยู่ไม่ใช่ว่านิ่งเป็นต่อไม้ท่านฟังแต่ว่านิ่งอยู่ด้วยความฉลาดที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นอยู่ในใจที่รู้ว่าเออเราไม่ต้องไปเกลือกลัวในอารมณ์นั้นก็ได้นี่ความรู้ความฉลาดตรงนี้คือปัญญานะนผู้ฟังปัญญาคือมีดแหลมๆที่จะคอยเปิดปากแผลแล้วดึงเจ้าหัวลูกศร น, นี่ออกก็เราตรวจหาหัวลูกศรเจอแล้วด้วยสติก็จริง แต่อาจจะยังถอนลูกศร อ, ออกไม่ได้คือหมายความว่าเรารู้ล่ะว่าบางทีเราก็ไปมีความคิดนึกโอเคคิดนึกกับธรรมดาใช่ไหมมีสมองก็ต้องมีความคิดนึกคือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าตรงนี้แหละคือจุดที่มันแทงแต่ถ้าเรายังไม่มีมีดคมคมที่จะถอนหัวลูกศร น, นั้นออกได้ก็เหมือนกับว่าเรารู้ ล, ล่ะว่าตรงนี้คืออารมณ์ความรู้สึกที่เราเข้าไปเกลือกล้วยินดียินร้ายบ้างแต่เราอาจจะยังไม่ทําความไม่เกลือกล้ว ทำความไม่ขยักขยังให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือตรวจเจออยู่แต่ยังไม่มีมีดคมคมที่จะปาดออกมีดคมคมที่จะที่จะเปิดปากแผลออกแล้วดึงหัวลูกศร น, นั้นก็คือปัญญาปัญญาในการที่จะรู้ว่าอ๋อฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเนื่องตามอารมณ์ความคิดความรู้สึกนั้นให้มันเป็นสังขารขึ้นมายังไม่ต้องไปหมายรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ให้มันเป็นสัญญาขึ้นมา ไม่ต้องไปยินดียินร้ายในความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเป็นเวทนาขึ้นมาไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งนี้มีในเราเราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเป็นตัวเราให้เป็นวิญญาณขึ้นมาความรู้ความฉลาดตรงนี้คือปัญญาในการที่เรารู้ละว่าสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้รู้สึกสัมผัสความคิดนั้นให้รู้ก็ศัพต์ว่ารู้ภาษาไทยบางทีมันสับสนนะาฟังเอรู้เนี่ยหมายถึงรู้คือพุโทโธ หรือรู้คือปัญญาหรือรู้คือสติกันแน่ฟังดูดีๆให้มันรู้ให้มันจำแจ้งอยู่ในใจว่าถ้าพุทธโธจริงๆแล้วเนี่ยไม่หวัน่นไหวพุทธโธจริงๆแล้วไม่เข้าไปเกลือกลัวพุทธโธจริงๆแล้วไม่เข้าไปยึดถือพุทธโธจริงๆแล้วนั้นคือรู้สักต่วารุรู้ด้วยปัญญาด้วยรู้ด้วยสติด้วยรู้ด้วยพุทธโธด้วยมันอยู่ที่นี่ ความรู้ที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นนี้ทําบ่อยๆท่านฟังปัญญานี่ที่เกิดขึ้นแล้วนี่ยพระเจ้าตรัสถว้เนีายบอกว่าปัญญาที่อบรมแล้วก็จะละอวิชชาได้แล้วปัญญาแบบเนี้ยที่เราบอกว่าคือความรู้ลักษณะที่เป็นความเฉลา่ยเป็นปัญญามันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรก็เกิดจากวิปัสสนาท่านฟังวิปัสสนาเมื่ออบรมแล้วปัญญาจะเจริญ ปัญญาเมื่อจเจริญแล้วจะละอวิชชาได้วิปัสสนาก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองว่าขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไปรู้ความคิดบ้างมันเป็นสัญญาเกิดมากก็ดับไปเราไปรู้อารมณ์ความรู้สึกได้ไดบ้างนั่นก็เป็นเวทนาเวทนาก็เกิดมากก็ดับไปเราไปรู้ ความคิดนึกปรุงแต่งเปลียนแปลงจากสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็เป็นสังขารอ๋อมันมีมามันก็ดับไปเราไปรับรู้ในวิญญาณในการที่ไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้วิญญาณนั้นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับรู้สึกเป็นตัวตนบ้างรู้สึกเป็นคนอื่นบ้างก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดารูปก็เหมือนกันลักษณะนี้คือวิปัสสนาลักษณะนี้คือการที่เราไม่เข้าไปกระลึกลุ่วในอารมณ์ลักษณะนี้คือการที่เราไม่เข้าไปขยักขยั้ง ในสิ่งที่เป็นที่ไม่น่าชอบใจลักษณะนี้คือการที่เราพยายามที่จะถอนลูกศรคือตระหนาได้คนที่จะถอนลูกศรคือตระหาได้แน่นอนต้อมีเครื่องตรวจหาหัวลูกศร น, นั่นคือเจ้สติสติที่ตรวจหาหัวลูกศรเจอแล้วแต่ลักษณะมันเป็นลักษณะทิ่มแทงคือเป็นรูปแบบของราคะที่มีความทิ่มแทงมีความเสียดสีมีความเผ็ดร้อนมีความร่าเริงมีความหิวมีความกระหายอยู่ในตัวมัน จะละราคาตรงนี้ได้แล้วก็ต้องมีสมาธิมีสมถะคนที่ตั้งสติขึ้นเอาไว้คนที่มีสัมมาสติจะทําสัมมาสมาธิคือสมาถะเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีสัมมาสมาธิที่เมื่ออบรมแล้วจเจริญให้มากแล้วนจิตก็จะเจริญจิตที่มีกําลังจเจริญแล้วตั้งขึ้นได้แล้วก็จะละเจริราคาได้ราคาที่มีธรรมชาติเสียบแทงมีธรรมชาติเล่าร้อน มีธรรมชาติหิโหยนตเมื่อละได้แล้วจิตนั้นก็จะมีการที่เห็นตามที่เป็นจริงเป็นไปตามธรรมชาติของมันกัน 5. มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่แล้วพิจารณาอยู่แล้วมีปัญญาเกิดขึ้นมีปัญญาเจริญให้มากแล้วทําอยู่บ่อยๆแล้วจะละอวิชชาได้มีความรู้เกิดขึ้นในจิตที่เรามารู้เราหมายใจ นั่นก็เป็นพุโทโธมีความรู้เกิดขึ้นในจิตที่เราไปรู้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่เข้าไปเกลือกล้วไม่เข้าไปยินดียินร้ายไม่ให้สิ่งนั้นมานั่งอยู่กลุ้มๆอยู่ในจิตของเรานั่นก็เป็นพุโทโธมีความคิดนึกเป็นสัญญาอารมณ์ความหมายรู้หรือสังขารใดๆก็ไม่เข้าไปเกลือกล้วหมุนไปตามอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งได้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเชื่อหรือไม่คิดว่าจะไม่เชื่อ ทั้งเชื่อและไม่เชื่อก็ไม่เอาอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เอาจะเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ก็ไม่มีเพราะรู้อยู่อย่างเดียวไม่ได้เขาไปสนใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้เข้าไปคิดนึกว่าจะตามหรือจะไม่ตามปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งไม่เป็นไปอย่างนั้นและไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่คือพุทโธเฝั่งพุทโธที่อยู่ในใจของเราที่เรามีมาตั้งแต่นานแล้วที่ปรจ้าสัมมาสัมปรุชาในบัดนี้ ือสมณโคดมนะทําให้สว่างทําให้เกิดขึ้นทําให้มีทําให้เห็นแล้วมาบอกแจ้งแถลงการในโลกนี้ว่าจิตที่เป็นพุทธโธนั้นมีอยู่จะมีการพูดถึงกรรมสัมมาสัมพุทธโธมีการพูดถึงธรรมะที่จะทําให้เข้าถึงจิตที่เป็นพุทธโธอย่างนี้มีผู้ที่ทาตามแล้วปฏิบัติตามแล้วเข้าถึงความเป็นพุทธโธในใได้พระรู้าทําได้แล้ว คนหนึ่งเขาก็ทําได้พระอริยะสาวกในสมัยพุทธกาลหรือพระอริยาสาวกในสมัยปัจจุบันนี้ก็ทําตามธรรมะที่พระเจ้าสอนเอาไว้บอกอาไว้ปฏิบัติตามพุทธโธ ท, ที่สัมมาสัมพุทธโธได้ทําแล้วร่องรอยที่ท่านทํเอาไว้บอกอาไว้นั่นคือธรรมโมคือธรรมะเราเดินตามทางนี้ไปปฏิบัติตามไปอยู่นั่นคือสังโฆ เป็นสังฆะเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดพุทโธในใจคนอื่นทําได้ตามรอยไปได้เราก็ทํำได้เหมือนกันพระเจ้าทําพุทธโธให้เกิดขึ้นในจิตคนอื่นทําพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้เราก็มีจิตเหมือนกันเราก็มีสติเหมือนกันคนที่มีสติคือทำก็พึ่งทำคนที่มีจิตคือมีตัวตนของเราก็พึ่งตนพึ่งตนพึ่งธรรมะ พึ่งตนคือผู้ฟังคําสอนพึ่งธรรมะคือธรรมะที่พุทเจ้าประกาศไว้แล้วก็ทําพุทธโธให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ทําพุทธะคือความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความแจ่มแจ้งในลักษณะที่ดำให้จิตของเรานั้นรู้อยู่ศักแต่ระรู้ทําการงานสิ่งใดๆจะเป็นการประชุมจะเป็นการทํากับข้าวเป็นการเดินทางการเรียนหนังสือการสอนหนังสือการขึ้นรถตรงเรือโดยสารเครื่องบิน เดินเท้าเปล่าขับจักรยานไปตลาดจ่ายของใจพุทโธมันไปได้ตลอดใจพุทโธไม่เกลื่อนกลืวในอารมณ์ให้เรามีพุทโธอยู่ในใจรู้แล้วรู้อยู่เฉยเขาด่ามากก็ไม่ด่าตอบเขาด่ามากก็เย็นอยู่ในใจได้เขาชมมากก็ไม่เหลิงเลอร้อยตัวขึ้นยกตนข่มท่านแต่ใจก็เย็นอยู่ได้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรากลัวให้เราขยักแยงหวาดกลัวเราก็เย็นอยู่ข้างไหนเราก็ไม่ตกใจวันไว้ไปตาม นะเป็นผู้ที่มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนผองมีจิตใจที่เย็นคนที่เป็นแบบนี้ธรรวังเป็นนาบุญเป็นนาบุญอันเลิศเป็นนาบุญชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่านาบุญเนี่ยหมายความว่าเวลาคนเขามาเขามาพบเจอเจอคนที่ใจเป็นแบบนี้มีจิตใจเป็นพุโทโธอย่างนี้นล้วมันเจอแล้วสบายใจเจอแล้วยังมีร่องรอยของธรรมะอยู่ในคําพูดที่เขาพูดจาออกมา มีร่องรอยของธรรมะอยู่ในการกระทธรรมที่เขากระทธรรมออกมาถ้าเราสามารถอ่านใจรู้จิตของเขาเขาก็จะมีร่องรอยของธรรมะอยู่ในจิตใจของเขาอยู่ในความคิดนึกที่อยู่ในใจเป็นพุทธโธพุทธะอยู่ในใจเราฝึกเราทาเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ระวั ง, งปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดแล้วจะละอวิชชาได้อวิชชาที่ค่อยลอกออกถอนออกความแจมแจ้งความแจมชัดคือวิชา ก็จะคเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ก็จะถึงจุดหนึ่งที่มีความไม่กลับกําเริบเป็นธรรมดาทุกท่านมีท่านฟังให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจเวลาใดที่เราได้ยินคําว่าพุทธโธให้รู้เข้าไปถึงใจเลยว่าไหนไหนพุทธโธอยู่ไหนในใจของเราเวลาใดที่เราได้ยินคําว่าพุทธโธให้เรารู้เข้าไปถึงใจเลยว่าเราสามารถที่จะรู้โดยที่ไม่ต้องไปเกลือนกลั้วในอารมณ์นั้น เวลาที่เราได้ยินคําว่าพุทธโทธทำฝั่งให้เรารู้เข้าไปถึงใจเลยว่าสัมมาสัมพุทธามีอยู่จริงจคนที่ทําจิต ท, ที่เป็นพุทธโทออทท ธ, ธอย่างนี้เขาทําได้จริงๆถ้าเราทําเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็ทําจิตให้มีความพุทธโธเราก็ทําได้จริงๆเวลาที่เราได้ยินคําว่าพุทธโทธทงฝังให้รู้เข้าไปในใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มาทางตาทางหูมาจากญาติจากคนไม่ใช่ญาติ มาจากต่างประเทศหรือมาจากในโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำความเย็นทำความรู้ทำความแจ่มแจ้งทำความไม่เกลื ก, กล้วอทำความไม่ขยะขขยงทำความสะอาดหมดจดในใจของเราให้เกิดขึ้นได้ท่องไว้เลยเต็มฟังท่องเอาไว้เลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่ประโทนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธ เติมนอล